ในานามของคณะสงฆ์วัดปรยโรมงสาวะบัวรวิหารขออนุโมทนาต่อสมาคมร้านขายยานำโดยท่านนายกสมาคมคุณสมคราญอัจฉริยศักดิ์ได้ชักชวนกรรมการและสมาชิกสมาคมร้านขายยา มาระเพ็บุญมาเพ็โกศลณนวัดยระวงสาวาสแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสมาคมอาคารหน้าวัดซึ่งเป็นของวัดก็เป็นที่ตั้งของสมาคมปารบโอกาสที่สมาคมมีอายุสามสิบหกปี ส6ิบหกปีเป็นรอบก็สิบสองสามสามสิบหกสามรอบสามรอบของสมาคมมีอายุยืนยาวมาขนาดนี้เรียกว่าอยู่ในวัยที่แข็งแรงมีกำลังมีกำลังที่จะ ประกอบการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมวันนี้จึงมาทั้งทาบุญและก็ให้ทานทาบุญเลี้ยงพระให้ทานด้วยการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความกตัญญูรู้คุณ กตาตะเวทีตอบแทนคุณรู้คนของที่อยู่ที่ตั้งที่ให้เราพักพิงจนเติบใหญ่มาจนวันนี้รู้คนของผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนซื้อยาของเราบางท่านก็ร่วงลับไปแล้วทั้งในฐานะกรรมการหรือนายกสมาคมรุ่นแรๆ บางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เราก็ปรารกทุกท่านนั่นแหละทำบุญในวันนี้ร่วมรับไปแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ยังมีชีวิตอยู่ก็แบ่งบุญแบ่งกุศลให้ท่านเหล่านั้นมีอายุยืนยาวแข็งแรงต่อไปการทำบุญ นอกจากจะได้บุญได้ปัวสอนเป็นการตอบแทนตามคติที่ว่าดื่มน้ำให้นึกถึงผลคุณบอ่อทานผลไม้ให้นึกถึงผลปลูกต้นไม้เรามีวันนี้เพราะใครมีน้ำใจกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณกระตาวีีตอบแทนคุณเป็นนิดิดเป็นเครื่องหมายของคนดี เขาจะมีอานิสงส์ให้กิจการของสมาคมและสมาชิกจเจริญรุ่งเรืองต่อไปเขาเรียกกันว่ายาบุญมาว่าสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักบุญไม่มาว่าสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นาย ความสำเร็จของกิจาการตามภาษาทางโลกมีสาประการมีสองประการหนึ่งเก่งสองเฮงคือโชคดีเก่งคือความรู้ความสามารถทำให้เราทนกิจาการได้ประสบความสำเร็จเอาตัวรอดจากวิกิตการได้อาศัยความเก่ง แต่เก่งอย่างเดียวก็ไม่ทำให้เจริญรุ่หน้าไปได้เร็วถ้าสถานการณ์ไม่เป็นใจบางสถานการณ์นั้นขัดขวางด้วยซ้าไปเหมือนเราพายเรือปรากฏว่าภายเรือที่สะพานพุทธเนี่ยจะไปที่สะพานสาธรมันขึ้นอยู่กับว่าท่านภายช่วงไหน ถ้าท่านภายตอนน้ำทะเลขึ้นหนุนน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเท่ากับภายเรือทวนน้ำเพราะน้ำมันจะมาขึ้นสูงที่สะพานพุทธเขาจึงบอกว่าน้ำขึ้นเต็มที่ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยวันหนึ่งเวลาหนันเพราะถ้ามาเจอเอาน้ำขึ้นขึ้นมาน้ำหนุนจากอ่าวไทย ทำให้น้ำที่สะพานพุทธมันสูงขึ้นสแสดงว่ามันไหล ย, ย้อนภายเรือทวนน้ำเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปเอาตอนออน้ำที่มนลงคือไหลกลับทะเลภายเรือจากสะพานพุทธเล่นฉิวเลยสถานการณ์ที่เป็นใจและขัดใจเนี่ย บางทีเราไม่ได้เลือกบางทีมาอยู่ในช่วงที่รัฐบาลส่งเสริมสมุนไพร ย, ยาแผนไทยเราก็ไปได้ดีมีงบประมาณสนับสนุนอาตมาได้ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ทุนสนับสนุนโรงพยาบาลอภัยภูเบศ วิจัยเรื่องสมุนไพรไม่กี่ตัวหรอก400ล้านบาททางโรงพยาบาลก็บอกเป็นทุกขลาโ อ, อ้300ล้านบาทเป็นทุกขลาอย่างไงเพราะนายกสั่งว่าเอา300ล้านเนี่ยไปปลูกสมุนไพรทำวิจัยผลิตยาขายต้องให้ได้กำไรคืน 3,000 ล้านบาท ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านี่ที่เขามาบท น, นี่ไม่ใช่ดีใจนะเพราะเป็นข้าราชการท่านไม่เหมือนเอกนชนอย่างเรากลายเป็นคุกขลา่าแต่ว่าสำหรับนโยบายของพระถือว่าทำให้เราพายเรือตามน้ามหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชพฤกษ์ไทยเทตมาเป็นอธิการบดี สร้างรูมพยาบาลขึ้นมาหนึ่งหลังมูลนกกินทีร่วมกันอยู่สร้างถวายหกสิบล้านบาทสองปีแล้วยังไม่ได้เปิดเลยสถานการณ์ยังไม่เป็นใจติดต่อโด น, นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นทำไม่ได้นึกว่าขันมาแพทย์แผนไทยจะดีกว่ามั้งอเอาแพทย์แผนไทยยาไทยนี่แหละ ไปบริการดีที่สุดและเร็วด้วยนะคิดคิดว่าตอนนี้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องนี้จะเปลี่ยนนโยบายนะดีไม่ดีให้พระเรียนแพทยศาสตร์โบราณอีก้วสมัยโบราณหลวงพ่อกระต้มสมุนไพรอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่จะไปใส่สเตรอยเท่านั้นแหละอ <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่โดนจับ <c oughs> นี่ฉะนั้นก็ <c oughs> กำลังคิดสถานการณ์ที่เป็นใจที่เอือ้อ แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นมงคลสามข้อพระพุทธศาสนาบอกว่าเราจะเจริญเนี่ยเพราะมงคลเพรชความเจริญสามประการประการที่หนึ่งพ ร, ร, ระท่านจะสวดเน้นปัตติโรปเทสวะโสจักปุกเพกตปุญญาตานตระสัมมาปนิธิจักเอตัมมันคาะมุตตมัง สมาคมร้านขายยาอยากจะเจริญรุ่งเรืองต้องมีเหตุแห่งความเจริญสามประการปฏิรูประเทศวสวัสดอยู่ในปฏิรูปประเทศในสถานที่ที่เหมาะสมในยุคสมัยที่เขาสนับสนุนกิจการอย่างนี้เจริญเร็ว เ, เพราะฉะนั้นที่ไหนเขาให้ลายเส้นให้อะไรเนี่ยง่ายเลยนะ ยุคนั้นเจริญและเรามีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวอะไต่างๆที่เปิดถางให้เจริญเร็วเขาเรียกว่าปฏิรูปประเทศสวัสส์สมัยก่อนวัดประยุนนะ์หน้าวัดปัญญาเนี่เป็นปฏิรูปประเทศตอนที่ยังไม่มีสะพานปกเกล้าเนาะตอนที่ยังไม่มีสะพานปกเกล้าเนี่ยรถเมล์ทุกสายก็มาจอดอยู่ที่นี่ รถติดหน้าวัดไปยูนเดี๋ยวนี้ผ่านชิวเลยเออไม่ติดเลยนะเออติดก็ลงมาซื้อยาไม่ได้ร้านขายยาก็ต้องไปหาปฏิรูปประเทศมาที่ที่เหมาะสอง่งแต่ยังมีสํานัก ง, งานตั้งเป็นอรุสอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมเออแล้วก็ล้ำลึกนึกถึงวันเก่าๆวัดไปยูนก็เลยต้องตัดตัวไงตอนนี้ ปรับตัวหลายอย่างจะอาศัยเมนอย่างเดียวไม่ได้โอ้เพราะเขาบอกว่าเข้ายากอีกนั้ะลอดสุกสัมพันอะไรเงี้ยนเลยต้องขยายกิจการเป็นที่ปฏิบัติทำโอ้ของห้องประชุมสามชั้นนี่กําลังสร้างอยู่หน้าโรงเรียนเปลายปีนี้เสร็จปีหน้ากะมาจัดงานขึ้นชั้นหอประชุมเลยนะเออห้องประชุมจะสวยกว่านี้ เอาสมาชิกมาให้เต็มก็ได้ฉลองเศาลาใหม่เลยนี่นี่เราบอกสกาหรับจัดประชุมละ่ะอวัดประยู์ก็ต้องปรับตัวมีห้องประชุมมีอะไรต่างๆแล้วหน้าวัดเข้ายากเปิดท่าเรือเน่ยเดินไปร้อยเมตรมีท่าเรือวัดประยูนแต่ยังไม่มีเรือพรมาจอดอุตสาอุตส า, าทําท่านะ ถ้าดีแต่ไม่มีเรื อ, อคิดว่าต่อไปเนี่ยนะพอเราปรับวัดอะไรเสร็จเนี่ยซอกโบสถ์ซอกวิหารซอกอะไรเสร็จเรียบร้อยถ้าเรือก็จะคึกขับเนี่ยอันนี้เลื่องปาเตรูประเทศเหมาะสมบ้านจัดสรรเวลาจะสร้างบ้านเข า, าจะต้องบอกําสามขับพวกเรียลเอสเตเนะ่ยภาาังหาษเรียทรัพย์สังเนี่ย จะไปขายบ้านจะซื้อบ้านให้ดูคำสามคำาต่มาก็ตั้งใจฟังฝรั่งเขาจะว่ายัางไงเขาบอกโลเคชั ocation, location, location ่นโลเคชั่นโลเคชั่นที่จริงก็คำเดียวแหละบอกให้ดูทินทำเลดูที่ตั้งดูปฏิรูปประเทศถ้าปฏิรูปประเทศดีเนี่สำเร็จอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ปฏิรู ป, ปเพกะตะโกญญาต่างทำบุญไว้เยอะๆบุญมาวาสนาช่วยนะมันก็จะส่งเสริมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่เราก็ต้องทำบุญทำบุญแล้วครบรอบมาทั้งอีกนี่สามที่หกปีนี่เพื่ออนุภาพแห่งบุญทำให้เราได้ภายเรือตามน้ำบ้านทีเก่งเท่ากัน แต่บุญไม่เท่ากันเรียนจบเหมือนกันเปิดร้านพร้อมกันแต่อีกร้านหนึ่งคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองเขาเรียกว่าเฮงเฮงแปลว่าสถานการณ์ที่เราไม่ได้เลือดฝาจัดสรรนี่แหละมันบังเอิญให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมบังเอิญล่ะอนุภาคของบุญบุญที่เราทำนี่แหละไฟไม่บานคนมีบุญไปยังไง ฝนตกลงมาดับพลีเออคนบางคตนี่นะสุมาอีอ้ลบกับขงเบ้งแพ้ควัเก่งขงเบ้งขงเบ้งเอาไฟเผากองทัพทั้งหมดเลยของสุมาอีอ้ะนะแต่เกือบจะหมดแล้วเหลืออยู่สองคนสุมาอี้พ่อกับลูกฝนตกลงมาไฟดับสุมาอี้รอดมานะ คงเบ้งขนานว่าเก่งเท่าเกงบอกฟ้าไม่เป็นจข้างขงเบ้งไปเข้าข้างสุมาอี้ตอนท้ายขงเบ้งก็ต้องตายไปก่อนนี่เขาเรียกว่าเก่งขนายคงเบ้งนะยังรู้ดินซ า, าฟ้ามหาสมุทรสู้อำนาจบุญกุศลไม่ได้บุญยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงษ์ยามบุญลงหงสาเป็นกาไก่ สุดท้ายอัตตสัมมาปิธิตั้งตนไว้ชอบมีบุญมีวาสนาทําอะไรเจะละญรุ่งเรืองแต่ไม่ตั้งตัวอยู่ในทํานองรองธรรมขายยาก็ยาไม่มีคุณภาพยาหมดอายุยาอะไรเงี้ยบุญก็ไม่ช่วยนะถ้าเราไม่มีศีลธรรมไม่มีจัรยาบันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่มีบริการหลังขายไม่ยินเย้มแจีมใสเพราะฉะนั้นจะต้องมีศีลมีธรรมเขาเรียกว่าเทวดาช่วยก็จริงแต่ช่วยคนที่มีศีลมีธรรมช่วยคนดีพระมหาชนกไหวนะเจ็ดวันเจ็ดคืนที่ในหลวงแตง่งเนี่ยราชการที่เก้าแตง่งเน่ยเทวดาห่อผ่านมาอุ้มไปวางไว้บนบกเพราะเป็นคนดี ขณะว่ายน้ํายังถือศีลศีลอุโบสถเลยศีลแปดไม่กินอะไรทั้งนั้นอยู่ในทะเลมันก็กินไม่ได้อยู่แล้ว เ, เลยถือโอก า, าสรักษาศีลน้ำก็ไม่กินเพราะมันเค็นโออเออเทวดาก็อุ้ยศีลแปดทุกทุกข้อเลยเออมี่เออมันมั น, นเค็ไมไงจะไปกินได้ยังไงเราโอ้เทวดาเลยอุ้มไปวางไว้บนบกเลยนะ่ะมหานชนกนี่ในหลวงแต่ง่อ่อานกันนะเขาเรียกว่า เก่งบวก <Okay. S 1> เฮงและความดีงามของเราชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับสมาคมล้านขายยางจเจริญก้าวหน้าสามเคกันมาจนอายุ3 6ปีไม่ใช่ธรรมดานะยังเข้มแข็งยังมาทำบุญกันครบนะบางสมาคมอยู่ไปอยู่มารุ่นรุ่นก่อตั้งหมดแล้วรุ่นหลังก็ไม่รักษาประเพณี นี่ถือว่ายังรักษาประเพณีน่าชื่นชมมากอัานตมาภาพในนามธนสมวัดปรยุรองสาว่าจึนขออนุโมทนาชื่นชมแต่วันนี้แก้ตัวหน่อยที่มาช้ารับไว้ก่อนแล้วที่นี่เนี่ยสมาคมร้านขายยาจะต้องมาพูดมาสวดแต่ว่ามีสัมปทานใหญ่ม า, มาแทรกนะประธานสภานิติบัญญัติจับงานตรงกันพอดีเลยเออที่โบสังตครุษ ที่จริงเนี่ยเขาจะมาจับวัดประยูนนะแต่พระวัดประยุนยูนบอกซ่อมเยอะอย่ามาเลยเขาก็เลยไปจับที่นู่นทีนี้พอไปจับที่นู่นเนี่ยเจ้าวักเจ้าว่ า, าวัดประยูนยต้องไปสิไม่ไปหาว่าไม่ร่วมมือกับศาสนาอื่เดี๋ยวจะแตกศาสนากันนี่โอ้มันเรื่องละเอียดอ่อนยังไงเช้าพูดด้วยกันวันนี้พูดกันรู้เรื่องเนาะก็เลยไปพบคลิกอิสลามบาดหลวงอะไรต่างเรียบร้อยเสร็จ พูดคนแรกเสร็จรีบมานี่เลยนะวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายก็ดีใจที่ยังอยู่กันเนะี่ยรอกันเนี่ย <c oughs> โอ้เดี๋ย <c oughs> ถ้าไม่ติดพระฉันเพนนะ่ยจะพูดยาวกว่า น, นี้นะี่ <c oughs> แต่พูดแล้วเดี๋ยวท่านจะสวดในใจเมื่อกี้สวดดังแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสวดในใจอีกจะไม่ดีก็เลยเอาแค่นี้แหละอนุโมทนาทุกท่าน <c oughs> ปีต่อไปก็มาร่วม ง, งานกันอีกอาจจะได้ที่ยาวกว่า น, นี้อีกน ะ, ะวันนี้เอาเท่านี้แหละในที่สุดนี้ ขออนุภูษีรัตนใจอนุภาพของหลวงพ่อพุทธนาอันศักดิ์สิทธิ์ในพระวีหารพระประธานในพระอุโบสถพระโบรมาสารีริกธาตุบนพระเจดีย์และอานุภาพแห่งบุญบู่ศรีจงบารวบกันเป็นตะบัดดีชักพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้สมาคมร้านขายยานําโดยท่านนายกสมาคมและกรรมการสมาชิกทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปประสบความสำเร็จในการในธุรกิจร้านขายยาโดยปราศจากทุกโศกโรค ภ, ภัยอุปสรรตรายสังพวงเจริญด้วยอายุวันนักสุขขาดภปฏิพานธรรมศาลสมบัตินาสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยทำก็ขอให้ความปรารถนาด น, น, นั้นจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จจงพันสำเร็จสมโนโรถบุญมาปรารถนาทุก ป, ประการ ตลอกาลับนานเทืน